ตุวัตตวักวักว่าด้วยการนอนร่วมกันสิกขาบทที่หนึ่งตุวัตตวักปาจิตติยะกันห้ามนอนบนเตียงเดียวกันสองรูปนางภิกษุณีสองรูปนอนร่วมกันบนเตียงเดียวกันพวกมนุษย์พากันติดเตียนว่าทำเหมือนขรือหั์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตี แกนางภิกษุณีที่นอนบนเตียงเดียวกันสองรูปสิกขาบทที่สองตุวัตวรคปาจิตติยะกันห้ามใช้เครื่องปูลาดและผ้าห่มร่วมกันสองรูปนางภิกษุณีสองรูปนอนร่วมกันใช้เครื่องปูลาดและห่มพื้นเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสิกขาบทที่สามตุวัตวัคปาจิตติยกันห้ามแกล้งก่อความรำคาญแกนางภิกษุณีมนุษย์ทั้งหลายพากันสรรเสริญนางพัฒากาปิลานีภิกษุณีด้วยประการต่างๆนางทุลนันทาภิกษุณีริศยา จึงเดินจงกรมบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างสอนธรรมะบ้างใช้ให้สอนบ้างทำการท่องบนบ้างทำสิ่งต่างๆเบื้องหน้านางพั ธ, ธากาปิลานีโดยหวังเพื่อก่อความรำคาญให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้กแกล้งก่อความราคาญแก่นางภิกษุณี สิกขาบทที่สี่ตุวัตวัคปาจิตติยะกันห้ามเพิกเฉยเมื่อสิทธิไม่สบายนางทุนลนันทาภิกษุณีไม่พยาบาลเองไม่ขวนขวายเพื่อให้ผู้อื่นพยาบาลสหชีวินีผู้เป็นไข้เป็นที่ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้น สำหรับสหชีวินีในที่นี้คือนางภิกษุณีที่ตนเป็นอุปชัยยะบวชให้สิกขาบทที่หตุวัตวรรคปาริจิตติยากันห้ามฉุดคร้านางภิกษุณีออกจากที่อยู่นางทุลนันทาภิกษุณีให้ที่อยู่แก่นางพัากาปิลาณีภิกษุณีแล้ว ภายหลังมีจิตริษยาโกรธเคืองฉุดคร่านางพัทธกาปิลานีจากที่อยู่เป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตติแกนางภิกษุณีผู้ให้ที่อยู่แกนางภิกษุณีแล้วโกรธเคืองฉุดคร่าเองหรือใช้ให้ฉุดคร่าออกไปสิกขาบทที่หกตุวัตวักปาจิตติยกัน ห้ามคลุกคลีกับข้าเรือหัดหรือบุตรคฤหักบดีนางจันดากาลีภิกษุณีคลุกคลีกับคฤาเรือหัดบดีบ้างบุตรคฤหักบดีบ้างเป็นที่ติดเตือนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีที่คลุกคลีกับข้าเรือหับดีหรือบุตรคฤหักบดีเป็นผู้อันนางภิกษุณีทั้งหลายตักเตือนแล้วไม่ฟัง ภิกษุณีสงสวดประกาศให้ละเลิกครบสามครั้งแล้วก็ยังไม่ละเลิกสำหรับขาเรือหาบดีคือผู้ครองเรือนนะครับสิกขาบทที่เจตุวัตวัคปาจิตติยากันห้ามเดินทางเปลี่ยวตามลำพังนางภิกษุณีเดินทางเปลี่ยวมีภัยเฉพาะหน้าภายในแว่นแคว้นโดยไม่ได้ไปกับหมู่เกวียน ถูกพวกนักเลงปัททุศร้ายเป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้เดินทางเช่นนั้นสิกขาบทที่8ตุวัตวัคปาจิตติยกันห้ามเดินทางเช่นนั้นนอกแว่นแคว้นความในสิกขาบทนี้เหมือนกับสิกขาบทที่7ต่างแต่ห้ามเดินทางเช่นนั้นนอกแว่นแขวน คือออกนอกรัฐะเช่นจากแคว้นกาสีไปสู่แคว้นมคธสิกขาบทที่เก้าตุวัตวักปาจิตติยะกันห้ามเดินทางภายในพรรษานางภิกษุณีเดินทางภายในพรรษาเป็นที่ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้น สิกขาบทที่สิบตุวัตตวัคปาจิตติยกันห้ามอยู่ประจําที่เมื่อจำพรรษาแล้วนางภิกษุณีอยู่จำพรรษาในกรุงราชคฤื้ในฤดูหนาวในฤดูร้อนก็คงอยู่ประจําในที่นั้นเป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตีแก่นางภิกษุณี ผู้จำพรนษาแล้วไม่หลีกไปสู่ที่จาริกแม้สิ้นระยะทาง 5-6 ถึงหโยต